เพรถ้าเราไม่ป่วยอยู่อย่างนี้ด้วยอํานาจของโลภะโทสะโมหะถามว่ายาอะไรที่จะแก้โรคนี้ได้นะโรคคือราคะเอายาอะไรมาแก้โรคคือโทสะเอาอะไรมาแก้แต่ถ้ายาพอที่จะระ ง, งับพอมีองนั้นก็เหมือนกับยาแก้ปวดอนะนะถ้าหากว่าโลภะเกิดมากๆให้ทานก็เหมือนกับยาแก้ปวดนั่นแหละลูกไปปั๊บหนึ่งก็ใคร ย, ยังชั่วหน่อย ถ้าโทสะเกิดหรือเจริญเมตตาบ้างรักษาศีลบ้างก็พอที่จะแก้ปวดได้บ้างทานศีนธรรมดาทั่วไปก็สามารถแก้ได้ระดับหนึ่งถ้าจะให้แก้ได้มากกว่า น, นั้นอีกหน่อยเรียกว่าระ ง, งับความปวดได้มากกว่า น, นั้นก็คือการเจริญอสุภาษ ห, หรือการเจริญเมตตาก็สามารถที่จะระ ง, งับความกระวนก歪ได้เยอะขึ้นไปอีกหน่อยาาได้พาราเซตามอลไปแต่ถ้าหากว่าจะหายอย่างเด็ดขาดคืออะไรยาที่จะสัมรอกอันนี้ออก ยาถ่ายของพระอริยเจ้ายาแก้ปวดของพระอริยเจ้าซึ่งกินแล้วมีแต่หายโดยถ่ายเดียวยานั้นก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดนั่นแหละเมื่อพูดถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดอะไรเป็นหนทางเพื่ออริยมรรคมีองแปดอริยมรรคมีองแปดจะเกิดขึ้นได้อย่างไรปัจจัยของอริยมรรคมีองแปดได้แก่พ่อชงเจ็ดพ่อชงมีอะไรเป็นอาหาร สติปทานเป็นอาหารสติปทานมีอะไรเป็นอาหารสุจเรศสามเป็นอาหารสุจเรศสามมีอะไรเป็นอาหาร ส, สติสัมปชัญญะเป็นอาหารสติสัมปชัญญะมีอะไรเป็นอาหารสติสัมปชัญญะมีอาหารก็คือพวกโยนิโสโยนิโสก็นับตั้งแต่การครบจัดบุรุษเป็นต้นจึงจะเป็นอาหารของกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้งนั้นถ้าหากว่า อาหารเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะอริยมรรคเนี่ยดูเป็นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เอานะถ้าถ้าเราพูดถึงคําว่าอาริยมรรคนะเรานึกถึงอะไรยมพุกการนึกถึงอะไรถ้าอาริยมรรคหรือออ่างหรือเรือสะเอกยอยักษอริยะอย่างไงนึกถึงอะไรยมพุกการลองลองอธิบายให้ฟังถ้ากล่าวถึงคําว่าอาริยมรรคเนี่ยนึกถึงที่ไหนนึกถึงอย่างไรก็ถึงนึกถึงเจ็ดสิกแปดดวง อ่าก็มีปัญญาเจตสิกเป็นต้นเป็นต้นแล้วถ้าในชีวิตของเรานี่อยู่ส่วนไหนถ้าในชีวิตอยู่ส่วนไหนของมรรคไงครับอ่านะคือถ้าอริยมรรคจะเกิดในชีวิตของเราเนี่ยจะเกิดในส่วนไหนจะเกิดได้อย่างไรคือคือมองย้อนเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าอริยมรรคอันนี้จะเกิดในอัตตสันดานของเราตามทวารต่างๆใช่นะ่ย อริยมรรคจะเกิดขึ้นได้นะก็ต้องต้องไม่ลืมนะว่าอริยมรรคเกิดจากปริญญาสามใช่ไหมสัมมาทิฏฐิอีกชื่อหนึ่งก็คือปริญญาหรือปัญญาถ้าหากว่าปริญญาเหล่านี้ไม่เจริญบริบูรณ์อริยมรรคจะเกิดได้อย่างไรอัญญาตะปริญญามีไหมนั่นแหละนั่นแหละเป็นหนทางเพื่ออริยมรรคต่อไปหรือว่าถ้าปริญญาไม่มีมีโยนิโสก็แล้วกัน โยนิโสเป็นยังไงก็บอกว่าโยนิโสก็คือการฉลาดคิดคิดยังไงจึงเรียว่าฉลาดคิดคิดถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงคิดถึงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์คิดถึงสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาคิดถึงสิ่งที่ไม่งามว่าไม่งามอาการคิดแบบนี้อย่างมากมนั่นแหละเรียกว่าคนมีโยนิโสโยนิโอนี้ก็เป็นแสงเงินแสงทองแห่ง อริยมรรคเหมือนกันนั่นแหละมันต้องตั้งเป้าไว้ท่านทำยังไงว่าชีวิตขณะนี้จึงจะพอกพูนความความรู้ขึ้นทํายังไงที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยสัมมาทิฏฐิจึงจะเกิดขึ้นซึ่งเรานึกถึงสภาพจิตของเราในขณะนี้จะพอกพูนกุศลจิตเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่โอ้นึกที่ไหนก็ไม่รู้นะนึกถึงอริยมรรคก็คิดนอกตัวเลยที่ไหนก็ไม่รู้นั่นแหละและอริยมรรคเนี่ยเป็นเจตสิกใช่ไหมเป็นนามธรรมา นามธรรมานั้นรู้อะไรเป็นอารมณ์ก็ไม่รู้นะเราจะนึกซึ่งพระธรรมนี่จะห่างจากชีวิตของเรามากแต่ถ้าเรานึกบ่อยๆว่าอาริยมรรคก็เป็นกุศลธรรมที่เกิดจากปริญญาหรือเป็นอริยมรรคที่เกิดมาจากสัมปชัญญะสี่เนี่ยมานเราก็ต้องนึกถึงสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึง่งอริยมรรคจะเจริญบริบูรณ์อย่างนี้เจริญบริบูรณ์ได้อย่างไงหนึ่งมองเห็นอายตนะภายในเหมือนกับ เรือนว่างความรู้วันนี้นะที่เป็นไปเพื่อเรียมัตอายตนะภายนอกเหมือนกับโจรปล้นเรือนว่างนั่นแหละสิ่งเหล่านี้มีโทษสิ่งเหล่านี้เป็นภยัยสิ่งเหล่านี้น่ากลัวทำไมจึงน่ากลัวเพราะสิ่งเหล่านี้มั่นคงไหมสิ่งเหล่านี้ไม่มีความมั่นคงสักอย่างหนึ่งเมื่อไม่มีความมั่นคงแม้แต่อย่างเดียวเราจะเกาะจะอาศัยจะพึ่งพิงเขาได้อีกนานไหม เคยคิดไหมว่าเออเรานี้จะมีตามองเห็นภาพไปอีกได้นานขนาดไหนคิดไหมมีหูที่จะได้ยินเสียงไปอีกนานไหมมีจมูกที่จะหายใจเข้าหายใจออกนี้อีกนานไหมที่จะรับรู้กลีน่นแล้วอาหารเราจะรับประทานต่อไปได้อีกสักกี่มือ้อใช่ไหมมีรูปร่างกายมีอวัยวะผิวพรรณมีแขนมีขาจะอยู่ได้อย่างนี้อีกนานไหมจะลุกจะเหินจะเดินจะนั่ง ได้ขนาดไหนอีกต่อไปแล้วกายเนี่ยนะมันไม่มีความมั่นคงถาวรจะ ก, กล่าวไปยัยถึงจิตผู้ใดกล่าวว่ากายนี้เที่ยงผู้นั้นยังพอมีส่วนกล่าวถูกบ้างนะน่าจะพูดถูกเพราะกายนี่อายุบางคนเนี่ตั้งร้อยปีใช่ไหมกล่องมันก่อนเนี่ยเล่าว่าอายุร้อยสองขวบนั่นแหละกลองจะอยู่อีกยี่สิบขวบเหมือนกันแปลว่าจะอยู่มีชีวิตอีกร้อยี่สิปี ทีนี้กายเนี่ยยังจะปฏิญาณว่าอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีได้บ้างแต่จิตเนี่ยนั่งอยู่นิยมคิดกี่เรื่องแล้วคิดหนึ่งเรื่องก็ต่อจิตหนึ่งชนิดคิดสองเรื่องจิตสองชนิดพูดหนึ่งคำก็คิดหนึ่งอย่างแล้วพูดสิบสิบคำแล้วคิดกี่ครั้งแลกกี่เรื่องแล้วะนั้นความคิดเนี่ยจะบอกว่าอยู่เหมือนเดิมถามว่าจะนั่งแบบสบายสบายใจแบบเนี้ยได้อีกนานไหม นะที่มันสบายใจหนึ่งเพราะหนึ่งไม่มีอารมณ์ที่ที่ก่อให้เกิดความคิดบางอย่างขึ้นความคิดบางอย่างนํามาซึ่งความเดือดร้อนอัน้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีความมั่นคงเลยเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีความมั่นคงเนี่ยที่พึ่งจริงๆของเราคืออะไรมันต้องหลีกจากสิ่งนี้นะอ่าฉะนั้นการเจริญกุศลธรรมจนกว่าจะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนจริงๆนั่นแหละนั่นแหละ จึงจะมีเกาะจึงจะมีที่พึ่งถ้าไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ร้อนจริงๆถึงกับวางได้นะเราจะไม่ถึงฝั่งจนกว่าจะจะขู่เป็นของร้อนหูเนี่ยร้อนจมูกก็ร้อนลิ้นก็ร้อนกายก็ร้อนไอความคิดนั้นก็ร้อนไอที่คิดว่าร้อนก็ร้อนนั่นแหละแล้วจะเอาอะไรอ่ะก็เจริญไอความรู้อันนี้บ่อยๆ ลนะความรู้อันนั้นพอกพูณให้มากมากความรู้อันนั้นแหละจึงเป็นไปเพื่ออริยมรรคเพราะอริยมรรคนี้คืออะไรอริยมรรคนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์และถ่ายถอนซึ่งตัณหานั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาก็คือการดับตัณหาหรือการสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือเมื่อผู้ใดสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือเมื่อตัณหาดับอุปาทานก็ดับ เมื่ออุปาทานดับพบก็ดับเมื่อพบดับอะไรดับชาติก็ดั บ, ดบไม่เสียดายนะเสียดายไหม <c oughs> ถ, ถ้าเสียดายก็เกิดอีกนะ้ำไม่ต้องห่วงละ <c oughs> ที่ใดมีรูปนามขันห้าที่ใดมีตาที่นั่นร้อนที่ไหนมีหูที่นั่นก็ร้อนที่ไหนมีจมูกที่นั่นก็ร้อนที่ไหนมีลิน้นมีกายมีใจที่นั่นก็ร้อน มีที่ไหนมีใจที่นั่นก็นร้อนเพราะใจเที่ยงไหมสิ่งนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกข์แน่นะสาทุกข์ถ้าเห็นความคิดเหล่านี้เป็นทุกข์ได้นี่ชักได้ดีไปเยอะล้วนั่นแหละเราต้องมีวิธีคิดปรับประคองทุกข์ที่ว่านี่ทุกข์อะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงไม่ใช่ทุกข์เพราะคิดเอา ทุกเพราะไม่เที่ยงไม่ไดท้ทุกในที่นี้ไม่ได้แปลว่าโทมนัตเวทนาทุกในที่นี้ไม่ได้มุ่งถึงโทมนัตเวทนาอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงความไม่คงทนของสภาพจิตหมายถึงความไม่จีรังของจิตใจนั่นแหละเมื่อสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงเราจะกล่าวว่าสิ่งนั้นมันสุขมันพูดยากนะคือถ้าเราเห็นความไม่จีรังไม่เที่ยงนี่นะคร ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นทุกข์ทุกขโดยตรงนี่นะแต่มันจะนำไปสู่ทุกข์ทุกจนได้ที่เรียกว่ามันเป็นสังขารทุกข์นี่นะมันจะนำไปสู่สุดท้ายมันมันจะเป็นปัจจัยอันหนึ่งเนี่ยนำไปสู่ทุกข์ทุกในบ้านปลายจนได้ในรูปใดรูปหนึ่งเอ๊ะชักจะเริ่มเห็นทุกขสันแล้วสิเริ่มเห็นแล้วเน่แล้วเมื่อไหร่จะเห็นนะทีอ เอาเริ่มอย่างนี้เลยอุทัยแล้วอุทัยแล้วครับคำว่าอุทัยแล้วภาษาบาลีแปลว่าโผแล้วอืมกุศลจิตโผล่ขึ้นระดับหนึ่งนะกุศลจิตอุทัยแล้วทั้นเจริญอย่างนี้บ่อยถ้าเราไม่เจริญกุศลธรรมเหล่านี้ถามว่าโรคคือโลภะโทสะโมหะนะไม่มีทางหรอกว่าจะรักษาได้ที่เรื่องทั้งหมดที่ท่านกล่าวมานี่นะเป็นเรื่องของโยนิโสมนัสิการนะ เรื่องคิดอะ่ะคิดอย่างฉลาดคิดอย่างถูกอะ่ะทั้งหมดนี่นะเรากล่าวได้เลยว่าท่านสอนเรื่องโยนิสมนสิการให้เราถ้าคิดอย่างนี้นี่นะบ่อยๆนะคิดมากๆคิดบ่อยๆนะได้เรื่องนะโปลจริงๆนะเพราะว่าโยนิสมนัิการนั้นเป็นแสงเงินแสงทองแห่งการบรรลุมรมรดกเลยถ้าเจริญความคิดหรือกุศลธรรมเหล่านี้บ่อยๆ เราก็จะสามารถถึงฝั่งได้ขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นนั่นแหละคือเกาะของเราในขณะที่เราอยู่ในห้วงน้ำถ้าหากว่าความคิดเหล่านี้ไม่เกิดเราจะไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งไปพระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยถ้าเราอยู่ตรงนี้ถามว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งอ่ะ เอาสีเป็นที่พึ่งเอาสีอะไรเป็นที่พึ่งสีไหนรูปารมเนี่ยอารูปารมชนิดไหนเอาแสงสว่างใช่ไหมเอาหลอดนีออนเป็นที่พึ่งได้ไหมไปไหนถอดไปด้วยเลยจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเอาพัดลมไปด้วยหอบไปด้วยเลยไหมเอานกาไปด้วยเอาไปแน่นอนสาย่ามเลยพึ่งได้ไหมเขาจะให้เราพึ่งได้เป็นบางเรื่องแต่ว่าเอาเข้าจริงๆไม่ได้ไม่ได้แม้แต่อย่างเดียว อันพระพุทธเจ้ากล่าวบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุ ก, กรรมสภาพจิต ท, ที่ไปยินดีในสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสกรมรมกามทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าเหมือนความฝันเหมือนกับความฝันเหมือนจริงนะเรากาลังคุยคุยกันอยู่นี่ลองดูสองทุ่มดูสิถ้าสองทุ่มสิบห้านะ <c oughs> นั่นแหละบางทีไม่ทันหนึ่งสองทุ่มเลยก็แบบเลี้ยวตายเลี้ยวขวาเลยลืมอะไรบ้างหรือเปล่าะ รอบขอบหน้าดูเลยนะนั่นแะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเหมือนฝันพอเราไปอีกแห่งหนึ่งอีกแห่งหนึ่งอีกแห่งหนึ่งมันจะเหมือนฝันที่เป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแต่สิ่งที่ที่มันมันมีโทษมากกว่าฝันเลยก็คือที่ที่เราโครจรไปนะจะมีประทับความคิดที่เป็นบุญและเป็นบาปตลอดสิ่งนี้ไม่ลืมเราแนะ่บุญบาปในจิตเรามันไม่ลืมเรานะ คนที่คิดแล้วไม่เป็นบุญเป็นบาปคือผ้าอรหันต์ประเภทเดียวท่านคิดท่านเพราะท่านเป็นผู้ละบุละบาปแล้วก็ลอยบุญได้แล้วอันของเราก็มีแต่กุศลกับอกุศลเท่านั้นเองที่เป็นไปทีนี้ในในจิตเหล่านี้นะ่ะจิตชนิดไหนพอจะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้เอานั่งนั่งกันอยู่อย่างนี้นะนั่งกันอยู่ขณะ น, นี้ถามอโยมจะอากุศลตัวไหนเป็นที่พึ่งได้เอา กุศลข้อไหนเป็นที่พึ่งพวกเอาทานโอ้โหพุ่งนี้นะกว่าจะให้ได้นะถ้าจะ น, นี้จะนีมนภาพไปฉันนี่ก็ต้องพุ่งนี้นู่นแหละใช่ไหมเอ้ศีลก็พอได้เงนะี้ยนะสมัทฐานเลยนะศีลพอได้ทีนี้มีกุศลอื่นๆบ้างไหมพอที่จะนั่งเกาะได้ตรงเนี้ยพอที่จะเกาะได้ขนาดนี้หรือความคิดอันนี้พอที่จะเป็นเกาะให้แก่ชีวิตได้ไหม ข้อไหนภาวนาได้หบทสวดธรรมภาวนาเออเอาธรรมะสวรรคนะนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าธรรมะสวรรคฟังเพื่ออะไรฟังแล้วเข้าใจอะไรเพราะถ้าท่านนั่งฟังเฉยๆเป็นบุญเนี่ยเดี๋ยวจะมาบ้างที่ไหนก็มีแล้วก็ไปนั่งด้วยกับเขาเ น, นี่ะรู้ไหมว่าอันธรรมะสวรรคจะเป็นจะเป็นเกาะต่อเมื่อหนึ่งฟังแล้วก่อให้เกิดสัพพะต้องไม่เลิมปุสสนนะ กุศลจิตนั้นต้องมีศรัทธาหิริโอตตะมีอะโลภะมีอโทสัมมีตัตธรรมชาตตานะีมีกายะปะสัสสัตทิจิตตปสัสสัตทิกายะละหูตาจิตตะละหูตากายมุทุตาจิตตะมุทุตานั่นแหละถ้าไม่มีปัญญาประกอบเลยนะถ้าไม่เข้าใจถึงว่าถึงไม่เข้าใจมากนะักแต่ต้องเป็นกุศลจิตเหล่านี้นะจึงจะเป็นจึงจะเป็นที่พึ่งให้ได้ ไม่ใช่สักแต่นั่งเฉยเฉยแล้วกุศลจิตเกิดนี่ก็มาเก่งมากเลยแม้แต่เป็นกุศลยังต้องเป็นกุศลประเภทวิวัตตาด้วยนะครับเจนถ้าเป็นวัตตะนะถึงเป็นกุศลก็ยังก็นํามาสึ่ความทุกอีกละเจนทรายกุศลประเภทนั้นนี่ก็ยังเป็นทุกขศาสต ย, ยรียะเจนทรายเพราะถ้าหากว่าเราสามารถเจริญกุศลขณะนี้ได้นะถ้าโยมสามารถคิดแล้วขณะนี้เป็นกุศลได้อยู่ที่ไหนก็คิดว่าเจริญกุศลได้แล้วล่ะ ถ้านั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วค้นหาว่าเราจะเจริญกุศลได้อย่างไรได้ไปอยู่ที่อื่นก็เจริญได้ถ้าอยู่ตรงนี้คิดหากุศลไม่เจอเลยนะไม่ต้องพูดถึงที่อื่นนะไม่ต้องพูดถึงที่อื่นเลยว่าเอ๊จะไปเป็นกุศลได้อย่างไรนะคือกล่าวอย่างนี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่กล่าวเชิงตำเนียนะเพียงแต่แก็ว่าสอบดูเราไปถึงไหนกันแล้วพวกผมขับรถตอนนี้เจริญได้ทุกคนเนะ่ะ อ๋อเจริญได้ทุกคนนะเจริญได้ทุกคนแล้ววันนี้ลงจากรถกวดน้ําให้บ้างเน้ออยู่ลืมนะขับรถอย่าลืมนะลองลอ ง, ลองดูนะตัอย่างถ้าเป็นกุศลนี่กวดน้ําได้ใช่ไหม <S <S อุทิศได้อ่ะ <S <S นั่นแหละถ้าขับรถด้วยกุศลและจิตจริงๆนะจอดรถลงรถปุ๊บอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ได้เลย <S <S ถ้าเป็นกุศลจริงจริจะอุทิศให้คนอื่นได้ถ้าเป็นอกุศลเงียบเลยเก็บเงียบบกปิดนั่นแหละทีนี้ต่อไปนะว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนผู้ประทานทรัพย์พระธรรมเปรียบเหมือนทรัพย์พระสงฆ์ผู้ได้อริยทรัพย์มาโดยชอบทมเปรียบเหมือนชนผู้ได้ทรัพย์ตามที่ประสงค์ทรัพย์ในพระพุทธศาสนาคืออะไรอริยทรัพย์อริยทรัพย์นี้อริยแปลว่าประเสริฐทรัพย์ก็คือเครื่องปลื้มใจ นะหรือว่าสิ่งที่นำให้เกิดความยินดีทรัพ์เหล่านี้เนี่ยที่เป็นอริยทรัพย์มีอยู่กี่อย่างเจดอย่างนะอริยทรัพย์มีเจอย่างธรรมะวันก่อนนะกล่าวไว้ห้าอย่างใช่ไหมหนึ่งหมวดก่อนก่อนเลยหนึ่งศรัทธาสองศีลสามสุตตะสจากะห้าปัญญ า, ญญาเพิ่มคำว่าฮิเรโอตาปะเข้าไปนี่เ้าเรียกว่าอริยทรัพย์นะ อริยทรัพย์ทั้งเจ็ประการเกิดใดบุคคลใดเขาไม่เรียกบุคคลนั้นว่าคนขัดสนนั่นแหละอริยทรัพย์คือศรัทธาในบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์หรือที่เรียกว่ากรรมมสกตาศรัทธาเราก็คนหนึ่งแหละเป็นผู้ที่มีกรรมมสกตาศรัทธาเออนี้ก็ชักมีทรัพย์แล้วนะ กระเป๋าหนักขึ้นนิดนึงน<ค>ะเบอรัพย์ออนี้มีใครปล้นได้ด้วยก็บอกว่าลูกไม่เป็นที่รักก็แย่งไปไม่ได้นะอันนี้ถึงอยากให้เขาไม่แน่ว่าเขาจะได้รับไม่เหมือนทรั์อย่างอื่นเนี่ยมถ้ารถยนต์ยังเะพาเออเอาไปเอาไปยกให้ได้แต่รั์คือศรัทธายกให้ยาดนะยกให้แล้วยิ่งได้เยอะอีกยิ่งให้ใครยิ่งได้ยะได้เพิ่มไม่หยุ นั่นแหละถ้าใครอยากได้เยอะๆมาแบ่งให้เรามาบ้างนึงซับคือศรัทธาในพระธรรมตรายส่วนที่สําคัญที่สุดนะซับคือศรัทธาในกุศลธรรมนะศรัทธาที่จะเจริญกุศลศรัทธาที่จะคิดอะไรก็ได้ให้หมันเป็นกุศลน่ะนะนะนี่เขาเรียกว่าคนมีศรัทธาถ้าหากว่า บุคคลผู้ไม่มีศรัทธานะแม้แต่พผ้ารหันนั้นไม่คิดจะโปรดหรอกถ้าพผ้าร้านจะโปรดนั่นไม่โปรดหรอกคนไม่มีศ ร, รัทธาเว้นไว้แต่คนนั้นมีอุปนิสัยแห่งมักผลเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงจะไปโปรดแต่ถ้าคนธรรมดานะถึงมีอุปนิสัยมักผลก็ตามถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่มีใครไปโปรดเพราะถือว่าประโยชน้าวิบัติเป็นอันตรายต่อตัวเองด้วยเหมือนกันนะใครจะรู้ว่าตัวเรามีอุปนิสัยแห่งมักผลใช่ไหม แต่ถ้าเราไม่มีศรัทธานะถือว่าเป็นประโยค้าวิบัติเลยนะถึงมีอุปนิสัยแห่งมรรคผลไม่ใช่ว่าจะบรรลุมรรคผลกันทุกคนคนไม่มีศรัทธานะถึงแม้จะมีอุปนิสัยนะแล้วไม่มีศรัทธาบังเอิญบงับงเอิญไปเกิดในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิถนะีเราไปเกิดในครอบครัวอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะสะสมอย่างนี้เนี่ย สะสมอุปนิสัยที่จะบรรลุได้แต่บางเอื้อ่าต น, นั้นไปเกิดในในครอบครัวที่ไม่ฉลาดที่ตีแล้วไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยเชนพ่อแสดงว่าประโยคน้าวิบัติใช่ไหมครับเช่นพ่อเพราะฉะนั้นคนที่มีอุปนิสัยแห่งมรรคผลนะแล้วไม่ได้บรรลุมรรคผลในสมัยพุทธกาลมีหลายคนเลยอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นพระสุทินพระสุทินนั้นเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยแห่งมรรคผลอยู่อ่ะนะในดีกาพระวินัยท่านกล่าวไว้ แต่เพราะพระสุทินไปพบป่าประมิตรมิตรผู้เป็นบาปใครรู้ไหมแม่เพราะมีแม่ผู้ที่ห่วงทรัพย์มากห่วงมรดกจัดแม่ก็อยากได้พืชพันธ์เอาไว้ไปให้พระสุทินให้พืชพันธ์เอาไว้นะการกระทาอันนั้นนี่แหละท่านเลยขวางมรผลของท่านเพราะท่านทําใจให้สงบไม่ได้ท่านเดือดร้อนใจมาตลอดเพราะพฤติกรรมของท่านอันนั้น ถึงแม้ท่านจะมีอุปนิสัยแห่งมรรคผลแต่การกระทําอันนั้นของท่านยังไม่เป็นปราชิกตอนเจ น, นิญพรเพราะาถึงขนาดไม่เป็นประราชิกแต่ทําใจไม่ได้เพราะไปทําผิดไปทางนั้นเนี่ยถือว่าท่านเนี่ยนะท่านอดข้าวเจ็ดวันนะจึงได้บวชเป็นคนที่มีศรัทธามากคือท่านไม่น่าจะมาพลาดเลยนะคือคนบางคนเนี่ยถ้าดีมากๆเลยนะทําใจไม่ได้เมื่อกันที่เสียไม่แหละบางคนที่มีความตั้งใจสูงมากๆเนี่ย ถ้าหากว่าทําผิดพลาดส่วนบางทีทําใจไม่ได้หรือนายเปสะศักดิหัตถาจารย์อาจารย์ผู้ฝึกฝึกช้างหรือฝึกม้าเนี่ยนะฝึกม้าฝึกช้างขอโทษในการธรกสศูตรนายเปสะศักดหัตถาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลเหมือนกันทั้งทั้งที่มีอุปนิสัยแห่งมรรคผลนิพานแต่ไม่นั่งฟังทำให้จบ นะไม่ฟังทำให้จบเลยอดเลยไม่ได้บรรลุมรรคผลพระเจ้าอาชาติศัตรูมหาราชก็มีอุปนิสัยแห่งโสดาบันแต่เพราะไปรู้จักหลวงพ่อหลวงพ่อเทวทัตนะท่านก็เลยไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยเพราะไปฆ่าพ่อนั่นแหละเพราะไปฆ่าพ่อท่านก็เลยอดอันคนในสมัยพุทธกาลเองก็แคล้วคลาดจากมรรคผลก็มี นั่นแหละเพราะประโยค่าวิบัติเพราะนั้นเราจะถ้าเราดูถูกเราเองว่าเราไม่มีอุปนิสัยแห่งมรรคผลแน่แน่นอนเลยคุณไม่มีแน่นอนที่ไม่มีเพราะความคิดอันนั้นนะแล้วในอดีตใครจะรู้ว่าใครสะสมอะไรามาใช่ไหมแต่ไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะไอ้ความคิดว่าตัวเองไม่มีอุปนิสัยแห่งมรรคผลนั่นแหละมันทำให้ไม่บรรลุมรรคผลไอ้ความคิดตัวนั้นแท้เลยเพราะการประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบอยู่ที่ความคิดนะ การเจริญกุศลและทอยู่ที่สัมมาทิฏฐิไหนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาแล้ววัตตาสงสารอันยาวไกลามาเนี่ยเราจะเป็นคนบาปมาตลอดเลยเลยใช่ไหมเราจะชั่วมาขนาดนั้นเลยเลยไม่ไม่เคยฟังธรรมเลพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตั้งมากมายมหาศาลเนี่ยไม่เคยมีใจฝักใฝ่ด้านนี้มาเลยเลยแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีอุปนิสัยแน่นอนก็แสดงว่าเราไม่มีแล้วล่ะเพราะเราคิดอย่างนั้นแล้ว ถ้าสมัยพุทธกาลนะยังจะมีพระพุทธเจ้ามาคอยเตือนว่าอย่าคิดอย่างนั้นนะเธอมีอุปนิสัยนะพระองค์ก็จะแสดงธรรมให้เราคลายได้แต่สมัยนี้นะมีตนเป็นเกาะอย่างเดียวมีตนเป็นที่พึ่งอย่างเดียวตนในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมกุศ ล, ลจิตทั้งหลายแหละเรียกว่าตนในที่นี้ซึ่งจะเป็นที่พึ่งให้แก่เราทั้งหลายได้หลันถ้าหากว่าเราไม่สา ม, มารถที่จะคิดให้จิตเป็นกุศลได้เราหมดที่พึ่งแล้วละ่ะ เรานี่แหละเป็นคนที่คนไม่มีที่พึ่งเขาเรียกว่าคนอนาถาคนกําพระวันนี้ได้ยินเรื่องประโยชน์ค้หลายครั้งประโยคาสมบัติประโยชน์ควิบัตินีนะ่เพราะว่าคงจะมีบางท่านที่ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจนะถ้าหากว่ามีโอกาสก็ให้อาจารย์แสดงวิธีคิตให้ดูจะได้จะได้เข้าใจเลยแล้วจะเข้าใจจริงๆ เพราะจริงๆแล้วคาว่าประโยค่านี่นะก็อยู่ในชาวนานั่นแหละแต่แดงแสดงวิธีจิตให้ดูนะแล้วก็เราจะเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วประโยค่มันเป็นยังไงนะนะตัวนี้สําคัญมากๆเลยประโยค่าที่ดีนะก็คืออัตตาสัมมาปณิทินะคนที่มีอัตตาสัมมาปณิทิคนนั้นแหละมีประโยคะนะเพราะอัตตาสัมมาปณิทิในการตั้งตนไว้โดยชอบทำเนี่ยจะบอกเองว่าให้ทําอะไรทําอะไรทําอะไรทําอะไร การตั้งตนไว้โดยชอบธรำนั่นแหละเป็นเหตุให้มีประโยคะที่ดีที่สุดในชีวิตของเราถามว่าถ้าเราจะปฏิบัติประโยค่ให้ดีที่สุดทํำยังไงศึกษาพระธรรมให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามพระธรรมนั่นแหละคนนั้นมีประโยคะดีที่สุดแต่เราต้องคิดนะว่าประโยค่ของเราเพื่ออะไรทําประโยค่าเพื่ออะไรอ่ะ น, นะการกระทําของเราทางกายทางวาจาทางใจเราต้องการวัตถุใช่ไหมต้องการสี ต้องการเสียงต้องการกลิ่นต้องการรสต้องการโพธพภะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าอัพยกรตะธร ร, รมเราต้องการทําประโยคะเพื่อให้ได้อัพยกรตะธรรมใช่ไหมนะถ้าหากว่าต้องการให้ได้ประโยค้เพื่อให้ได้อภยกรตะธรรมนี่โยมมาที่นี่แสดงว่ามาผิดที่นี้ประโยคะเป็นยังไงหมายความยังไงองค์ธรรมได้แก่อะไรไมันเกิดได้ยังไงมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วมันมีผลอย่างไรเนี่ยน่าสนใจนะ ท่านทําความเข้าใจนี่ถ้าให้หมดเนี่ยนะแล้วรับรองว่าท่านก็จะได้ประโยชน์ค่าสมบัติเจิดพันแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจนะบางทีก็อาจจะประโยชน์คาวิบัติก็ได้นะเจิดพันเพราะ<ต>มีอิทธิพลมากมากเลยน่าจะกุโลจิตน่าจะเกิดหรือว่าน่าจะได้ประโยชน์บางอย่างก็ประโยชน์อันนั้นก็หมดไปไม่ได้เพราะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปกปิด